ยังพวกเราอาจเจ็บจนเพราะไม่มีและท่านที่เขากล่าวนามมาในหน้าังสือกิ่นั้นน่ะมีแล้วหระ อ, อยังถ้าพอก็มีแล้วถ้ายังรู้สึกว่ามันยังไม่พอรู้สึกตะเกียบตะกายพยายามนอนเกือบไม่หลับก็คือมันยังไม่มีนั่นเองยังไม่มีนั่นเองเพราะฉะั้นในทางศาสนาท่านกล่าวว่าสันตุถีปรมังฉนัน ความสนโดดเป็นทรัพยอย่างยิ่งจับใจความว่าการรู้จักพอนั่นแหละคือความร่ำรวยการรู้จักพอนั่นแหละคือความมั่งมีท่านทั้งหลายลองนึกดูและที่ททเจร น, า, นาดูเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างตัวของตัวเราเองนะให้เป็นคนรวยที่สุดในครอบครัวของเราหาไม่ได้ ที่พูดดังนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ท่านพยายามเพื่อจะหามาซึ่งสัพสมัติหมายความว่าขอให้ทาใจให้โูมมใจให้ฟูใจกับสิ่งที่ตนได้ความจากัดของคาว่าสนโดตมีอยู่สองคำว่าพอใจกับสิ่งที่ตนมีและยินดีในสิ่งที่ตนได้ พอใจในสิ่งที่ตนมีและยินดีในสิ่งที่ตนได้ก็จะเกิดเป็นคนร่ำรวยและมีความสุขขึ้นมาในยะตรงกันข้ามได้มาเท่าไหร่ไม่เคยพอใจเลยไม่เคยฟูใจเลยไม่เคยภูมิใจเลยนั่นคือท่านเป็นคนอภัพและยากจนอะไรเช่นนั้นถ้าท่านจะตั้งความปรารถนาว่า เราต้องการให้เงินเดือนขึ้นปีละหนึ่งขั้นท่านจะเป็นคนสมหวังที่สุดในชาตินี้แต่ถ้าท่านตั้งความปรารถนาว่าให้เงินเดือนขึ้นปีละห้าขั้นท่านเป็นคนอภัพมากเพราะตลอดชีวิตจะไม่ประสบความสาเร็จเลยถ้าเราต้องตั้งความปรารถนาให้พอดีกับสิ่งที่ตนมีให้ยินดีในสิ่งที่ตนได้ความสุขก็จะเกิดขึ้นแก่ท่านอย่างแน่นอนนี่คือข้อคิด ก็อไปนี้อาตมาภาพเห็นว่ามีเวลาอยากจะค่าเวลาญาติโยมจังเล็กน้อยก็พูดถึงหลวงปู่ในวาระสุดท้ายท่านทั้งหลายที่ท่านไว้มาทอดทอป่าที่วัดบูรพารามอาตมาภาพเชื่อเหลือเกินก็ท่านมีความเคารพนับถือในปฏิปทาและในคุณธรรมของหลวงปู่และในสิ่งที่ท่านเคยประพฤติปฏิบัติมาตัางหาก ดังนั้นวันนี้ท่านอาจจะนึกอยากทราบว่าหลวงปู่นั้นอาวาระสุดท้ายของท่านท่านมีวิหารธรรมอะไรเป็นเครื่องอยู่และเป็นโรคอะไรจึงมรณะภาพไปคือมีอยู่อย่างนี้หลวงปู่เรานั้นท่านเกิดเมื่อพศ2430นะเกิดเมื่อพศ2430 ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปูส่สีและหลวงปู่ดูนโดยระยะชีวิตของท่านในขณะนั้นถือว่าเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันและคนทั่วประเทศไทยก็ทราบว่าท่านอยู่ในรุ่นเดียวกันคือรุ่นพศ2430และท่านเหล่านั้นก็ฉลองอายุครบ8รบไปก่อนแล้ว แต่หลวงปู่นั้นท่าจะฉลองอายุแต่รอบต่อเมื่ออายุเต็มไม่ได้ฉลองต่อเมื่ออายุว่างทีนี้ชั่วระยะเวลาของท่านนั้นอาตมาภาพม่อยู่กับหลวงปู่ตั้งแต่อายุสิบเจ็ดปีคือเป็นเนมอายุสิเจ็ดปีตัวต่อตอมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้อายุห้าสิบสองปีกว่าแล้ว อายุ52ปีกว่าแล้วรวมเวลาอยู่กับหลวงปู่ก็เกือบ 3.4 3.5 ปีเท่ากับว่ามีโอกาสอยู่กับชีวิตของท่านตั้งแต่กลางกลางมาจนถึงสุดท้ายแม้ว่าไปจำพรรษาที่กรุงเทพที่เชียงใหม่หรือที่ต่างประเทศบ้างก็เป็นการจากไปเหมือนไม่ได้จากไม่เคยไปไหนห่างจากท่านเกินสี่เดือนเลย มีครั้งสุดท้ายที่ไปอยู่อเมริกาก็ทางจากท่านประมาณอะเจ็ดเดือนกว่าเท่านั้นเองก็มาอยู่กับท่านต่อมาเมื่อเดือนตลอดระยะเวลาของท่านนั้นท่านเป็นคนมีอาภาษน้อยเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยรอบที่นั่งของท่านนั้นไม่ค่อยจะมีอยู่มียาอะไรเลยท่านเป็นคนมีความเป็นโรคน้อยเป็นโชคดี เมื่อพศ2508คือ08นั้นท่านป่วยท่านหนึ่งเข้าโรงพยาบาลจงลังหวัดสุรินเกิดจากตับอักเสบก็รักษาไม่กี่อาทิตย์ก็หายปกติมาจนกระทั่งเมื่อท่านมีอายุผ่าน9 16ปีแล้วเข้าย่าง9 6ปีเดือนมกราคมปี ปีนี้แหละปีที่ยังไม่ผ่านเนี้ 00, 96, อ่ย 2,425,90 2 5 2 6ท่านก็ป่วยป่วยอย่างหนักที่นี่แหละป่วยด้วยโรคสามอย่างเมื่อไปถึงโรงพยาบาลกุลาลงกรณ์ก็ได้รับพระบรมราชานุเคราะห์ให้อยู่ศึกอาภาตราชตทานตึกพระราชทานตึกจงกุลนี หมอลงความเห็นว่าหนึ่งโรคกระดูกสองโรคปอดสามสมองลามไปถึงสมองวางอันเถอะรวมแล้วท่านก็อยู่ในวัยชรา ม, มากไปแล้วก็รักษาจนหมดคว า, ามสามารถรวมเวลารักษาตลอดเวลาห้าสามวันในระหว่างอยู่รักษานั้นได้รับพระตูนาสเสด็จเยี่ยมหลวงปู่สมเด็จ สองครั้ง <c oughs> แล้วในหลวงอีกครั้งหนึ่งก็หลังจากนั้นเมื่อเห็นว่าหายพอสมควรแล้วก็กลับมารักษาที่วัดต่อมาเมื่อเดือนมีนาคมหลวงปู่ข้อหายวันหายคืนจนสามารถเดินไปไหนเดินมาไหนได้ในบริเวณวัดพวกเราก็สบายใจสบายใจว่าหลวงปู่สบายดีแล้ว และตัวดีใจที่ท่านสามารถเดินได้โดยไม่ต้องถือไม้เท้าและโรคอื่นๆก็ไม่แทรกซ้อนมาอีกก็สบาย อ, อกสบายใจออสำหรับชีวิตประจาวันของท่านนั้นท่านเป็นคนอดทนมากยมไม่เคยครวญครางเมื่อเจ็บป่วยหรือป่วยหนักไม่เคยได้ยินคำว่าโอดโอยตอนใดตอนหนึ่งเลย อยู่เฉยๆตลอดระยะเวลาที่ท่านเจ็บป่วยแม้กระทั่งตอนอื่นๆด้วยและบางครั้งที่มีเรื่องปแปลกเวลาบางครั้งท่านไม่ทายอุจจระในเมื่อ1 0บปี5้ปีอะไรที่ผ่านมาเนี่ยไม่ทายอุจจระเป็นเวลาถึง14วันก็มีเมื่อไม่ทายอุจจระถึง14วันก็ไม่เคยเป็นอะไรด้วยชั้นพักทหารก็ได้เหมือนเดิมการวิงเวียนทิศะก็ไม่เรากฏฎอย่างอื่นก็ไม่เบิกกฎ ก็สามารถอยู่ได้ถ้าเดินทางไปไหนเป็นเวลาสามวัน2องวันมักจะไม่ไายอุจจระแต่ก็ไม่เห็นขั้นเป็นอะไรก็แปลกอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เมื่อกลับมารักษาตัวที่นี่แล้วต่อมาก็หลังจากนั้นท่านไม่ค่อยพูดถึงเรื่องวัดเรื่องวาเท่าไหร่นักมีแต่ปรารถถึงธรรมะ มีใครมาเยี่ยมชอบพูดธรรมะให้ฟังธรรมะของท่านไม่มีการขึ้นต้นลงท้ายมีแต่การพูดถึงที่สุดได้ตรงกลางธรรมะกลางจิตกลางใจเลยท่านทั้งหลายมีคำพูดที่คนชอบนำไปถือว่าเป็นคำหลวงปู่หลวงปู่จะไม่มีคำทัก ภายปลาใสเชื่อใจกันมาลูกหลานเ อ, อ่ยอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าเออกลับไปแล้วขอให้มีความสุขอยู่ดีกินดีนะอย่างนี้ก็ไม่มีไม่มีคาพูดอย่างนี้ใ น, นเมื่อสองสําวันนี้มีคนตกใจเห็นใครเอาเออคาพูดของตัวเองแล้วไปบอกว่าคาพูดหลวงปู่ในหนังสื อ, อ, อพระเครื่องประยุกต์ แล้วก็บอกว่าลุงตูอ่อ่ะสุกเศษเหรียญอย่างนั้นเหรียญอย่างนี้เอาไปตีราคาลงในหน้าหนังสือพิมพ์จะมีอยู่ณแผงโน้นแผงนี้สำหรับเรื่องนี้ขอเจริญพรให้ญาติโยมทราบว่าวัตุมงคลของลุงตู่นั้นไม่มีตามแผงถ้ามีก็มีอยู่ในวัดบ้างตามที่คนข อ, อนายาตด้วยแจกจ่ายกันไปตาม ผู้ที่คารพนับถือเท่านั้นเองไม้เคยเอาไปตั้งจำนายใจยแจกตามแผนพระเลยถ้ามีก็ไม่ใช่อันนี้ก็มาพูดว่าหลวงปู่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าโยมคนใดได้พบปะอย่างนั้นรู้ได้ทราบว่าหลวงปู่ไม่อยู่ในลักษณะอย่างนั้นอาจจะมาภาพเมื่อมีท่านทุใดไปมาก็มักจะถามว่าเคยพบหลวงปู่แล้วหรือยังถ้าเขาบอกว่าเคยพบแล้วเคยกราบแล้วก็จะภูมิใจมาก ท่านคุณใดบอกว่ายัางไม่ได้กราบยังไม่ได้เคยสั่งธรรมะก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นักเพราะเรื่องวัตถุมงคลของหลวงปู่นั้นเป็นเรื่องจลีบย่อยหรือเป็นเรื่องไม่สําคัญเคยมีนายทหารคนหนึ่งเป็นยศคนโทมาถามหลวงปู่ซื่อๆก็ถามตรงๆหลวงปู่ครับเรียนหลวงปู่เห็นเขาออกไปหลายรุ่นแล้วอยากถามหลวงปู่ว่ามีรุ่นไหนดังบ้างครับ เขาถามอยนี้ลุงปู่ตอบอยังไงยอมใจไหมท่านหลับตานิดหนึ่งท่านก็ตอบว่าไม่มีดังแต่พูดคําเดียวว่าไม่มีดังก็ เ, เหมือนว่าเขาจะมีคําถามอะไรต่อไปท่านพูดอย่างนี้อธิบายอย่างนี้แราวท่านท่านเอาไปเคารพนับถือในทางไหนก็จงนับถือไปในทางนั้นเลยโดยไม่ต้องจำหนึ่งว่าอะไรเป็นอะไรถ้าเป็นของลุงปู่ แล้วก็โชคดีของท่านถ้าไม่ใช่ก็เปโชคไม่ดีของท่านไปคุณธรรมของท่านก็คือว่าชอบสอนถึงที่สุดที น, นี้อาภาพสุดท้ายของท่านท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยโยมเมื่อวันที่29สุลาคมซึ่งสารุสิทธิ์กำหนดว่าเป็นวันทาบุญครบรอบอายุ96ปีของท่าน ก็มีสาธุรณสิทธิ์ทั้งฝ่ายสง์มาเป็นจานวนมากมาทำบุญรอบท่านก็เริ่มอาพาธอ่อนเพลียเมื่อเวลาบ่ายโมงชัดเจนว่าท่านอ่อนเพลียมากพวกเราก็กำลังมีงานญาติโยมก็เสนคลาอยู่เนี้ยพระสงฆ์ก็มาเป็นจานวนมากในที่สุดก็จะพาหลวงปู่อาตมาภาพขอร้องว่าหลวงปู่ไปกรุงเทพ ไปรักษาอีกท่านบอกว่าไม่ไปแล้วบอกว่าไม่ต้องพาไปก็กล่าวเรียนท่านว่าทำไมลุงปู่จึงไม่ไปท่านบอกวา่าทึานไปก็ไม่หายก็บอกท่านว่าครั้งก่อนลุงปู่ป่วยหนักกว่านี้ยังหายตอนนี้ลุงปู่ไม่หนักอะไรเลยน่าจะหายท่านก็บอกว่าไอ้นั่นมันคราวก่อนไอ้นี่มันตอนนี้ท่านว่าอย่างนี้ในที่สุดก็ไม่ได้พาท่านไป และหลังจากนั้นโยมเวลา4ีโมงเย็นลุงปู่ก็ออกมารับญาติโยมหน้ากุฏิของท่านจังโนนได้ก็เลยสบายใจเรียกว่าท่านคงเคลียรธรรมดาก็คงสบายดีต่อมาก็มีงานที่วัดเนี่ยแม่ชีพราหมณ์ก็เป็นจํา น, นวนพันพันก็เลยขัตมาภาพพระเนนบางองค์ก็รักษาลุงปู่จํานวนหนึ่งมาอยู่นี้จํา น, นวนหนึ่งก็พิจารณาไปตามเรื่องไปต่อมาก็ ท่านก็มีอาการเพลียและได้เจ็บแค่ได้ป่วยมีแต่เพลียอย่างเดียวเวลาประมาณสองทุ่มให้พระเนรจะอยู่ในห้องท่านสวดโทษชงให้ท่านฟังสวดโทษชงจบแล้วให้สวดปฏจิจจสมุกบาทสวดปฏิทจสมุบาทจบแล้วให้สวดท่านให้สวดที่ปัศนาภูมิ เมื่อพระสงลนั้นตรวจจบท่านก็นอนสั่งให้พระเหล่านั้นออกจากห้องให้หมดท่านขออยู่คนองเดียวสักระยะหนึ่งเมื่อพระเนร อ, ออกจากห้องหมดท่านจะอยู่ในห้ององเดียวระยะหนึ่งพระเนรเเข้าไปใหม่ ตอนนี้ท่านบอกว่าให้สวดมหาสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานนี้เป็นเรื่องใหญ่องคพระเนนในวัดจะไม่มีองค์ไหนสวดได้เลยเพราะใช้เวลาสวดต้งชั่วโมงกว่าท่านก็รับสั่งให้พระ อ, องค์หนึ่งไปเอานังสือเล่มใหญ่ซึ่งมีสติปัฏฐานสูตรอันนี้ประมาณตีทุ่มกว่าหรือห้าทุ่มล่วงแล้วพระ อ, องค์นั้นเอานังสือมาก็าเล่มใหญ่ ท่านก็เปิดดูสารบัญสารบัญหนังสือเปิดไปเปิดมาก็เสียเวลานานหลวงปูว่าเอามานี้ให้สมม่งหนังสือให้ท่านท่านก็สายตาท่านไม่เคยใช้นานแล้วท่านก็ไปเปิดตรงกลางกลางค่อนขั้นจะอะค่อนขั้นจะยังก่อนก้อนถึงกลางเล่ม น, นี่สวดตรนนี้แล้วก็แสปลว่ากําลังของท่านสามารถยกหนังสือเล่มใหญ่ แล้วก็มาเปิดแล้วก็ส่งให้พระนี่ว่าสวดตรนนี้ก็เติดไปตรงกับมหาสติสถานสูตรซึ่งอยู่ในหน้าหนึ่งรสหนึ่งเจกับ175เจ็ห้าพอดีคือเปิดท่านเดียวก็ไปตรงนั้นเลยทำให้พระองค์นั้นก็แปลกใจองค์นั้นจึงเปิดหนังสือสวดให้ท่านฟังท่านก็นอนฟังอจนกระทั่งว่าพระสวดจบ เมื่อพระสวดจบแล้วท่านก็อธิบายธรรมะถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเข้าสู่ น, นิพพานคือเรา ว, าวาระสุดท้ายแล้วลุงปู่ชอบอธิบายวิธีเข้านิผ่านของพระพุทธเจ้าว่าออกจากชาโนนเข้าชาโนอนออกจากะโนนเข้าโ น, น้นจนกระทั่งว่าถึงชาญสุดท้ายว่าเป็นอย่างไรอย่างไรท่านก็อธิบายอยู่แถวนี้แหละแล้วก็พูดถึงสังขารการปล่อยวางสังขารอะไรต่ออะไร ชอบอธิบายธรรมะอยู่แถวนี้เป็นเวลานานคือถ้าอยาโยมจากไหนมาก็มักจะพูดธรรมะที่แจงธรรมะจนกระทั่งถึงพูดชัดเจนสั่งได้ถึง9ก้สอร์ซนตลอดระยะที่ท่านายังเพลียหนักอยู่ท่านอธิบายพระพุทธเจ้าเข้านิพพานเขาบอกว่าออกเข้ารูปไปชาม ตั้งแต่ฌานที่หนึ่งจนถึงฌานที่สออกจากรูปฌานแล้วเข้าอารูปฌานออกจากอารูปฌานแล้วก็เข้าสู่สัญญาเวทญาตินิโรธไม่มีสัญญาและเวทนาว่าพระอ น, น์นึกว่าบุพุทธเจ้าเข้านิพพานแล้วส่วนพระอรุทธ์บอกว่าพระองค์ยังไม่เข้านิพพานยังอยู่ในสัญญาที่ดับสัญญาและเวทน า, าคือสัญญาเวทญาตินิโรธ เสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็ถอยออกมาอีกถอยมาก็มาอยู่ในอรูปไชานถอยจากอารูปไชานก็มาอยู่ในรูปไชานถอยออกจากรูปไชานมาก็อยู่ตามธรรมนาที่ก่อนเสร็จแล้วเข้ารูปไชานอีกก็ออกจากรูปไชานแล้วยังไม่เข้าอารูปไชานเลยพระองค์ก็ดับสัญญาอาจังขาระขันยืนยาณขันคือหมายความว่ากรณีผามในระหว่างนี้ ระหว่างรูปกับนานเนี่ยตมาภาพพูดตามที่ลงปูท่านอธิบายซึ่งเกียตรงกับตำรับตำราหรือกล่านั้นยังไม่ได้เทียบเทียนดูเออในวันนั้นลงปูอธิบายแถวนี้ซสก่อนแล้วท่านก็อธิบายลำดับยาน กขาอธิบายธรรมะมาโดยลำดับโดยลำดับอธิบายถึงฌานออกจากฌานนั้นฌานนั้นจนกระทั่งออกจากอารูปฌานแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าตรงนี้เป็นที่หมดอารมณ์เมื่อหมดอารมณ์แล้วเหลือแต่ความว่างตรงความว่างไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวตรงนี้จะเรียกว่าอะไรก็ได้เรียกว่านิพานก็ได้เรียกว่าหมดอารมณ์ก็ได้เรียกว่าจัรวาลเดิมก็ได้ หรือจะเรียกเหยียนไรก็ได้สุดเพแต่จะว่าไปเราปฏิบัติมาก็ต้องการอย่างนี้ต้องการอย่างนี้ต้องการแบบนี้เพื่อจุดประสงค์อย่างนี้เมื่อลงปูพูดเช่นนี้ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรต่อไปอีกท่านก็หายใจไปตามธรรมดาระยะหนึ่งพระเนนที่อยู่ในบริเวณนั้นนึกว่าลงปูหลับเพราะตอนนั้นปีสองกว่าแล้วเนึกว่าลงปูหลับ ก็เลยทำการนั่งอยู่ห่างๆหลังจากนั้นมาเห็นท่านหายใจเบาๆและหายใจเบาลงเบาลงเบาลงก็เป็นเวลาตีสสสองนาทีลมหายใจของท่านก็หมดไปเราวพระที่อยู่ในบริเวณนั้นก็เข้าใจว่าท่านหมดลมแล้วตทีนี้ก็ องอื่นๆก็จับเวลาดูก็ไม่ตรงกันองค์หนึ่งยืนยันว่าตี 4, 12นาทีนี้บางองค์ก็บอกเข้าใจว่าล้งตูยังมีลมหายใจอีกก็ว่าตี4ี่สนาทีตามที่เคยพูดสู้กันฝังนั้นไม่ค่อยตรงกันเพราะไม่มีใครยืนยันใดว่าข้าพเจ้าหรือกระผม ได้เห็นใจลงปูเพื่อสุดท้ายเพราะท่านไม่ได้หายใจแรงจนเพือกสุดท้ายให้ใครเห็นเหมือนกับไ ม, ไม่ได้เหมือนกับการดับกิจวุตรจะเหมือนกับการรีรีหายหายไปก็ท่านก็เริ่มดับลมหายใจทั้นเจอเวลาตีสสสองนาทีมาก็แสดงว่าท่านพูดเพียงกันนี้ท่านก็หมดหมดลมหายใจอของคืนวันที่สิ วันที่2ีสิบ้าวันที่ส0สบตุลาคมซึ่งเป็นงานครบรอบอายุของท่านญาติโยมก็มาเต็มวัดเต็มว่ามาทำบุญครบอายุและภิกษุสามเณรที่เป็นสายอนุสิตทั้งดงทั้งป่าก็มาพร้อมเพียงกันเท่ากับว่ามางานเดียวได้สองงานมางานวันเกิดด้วยแล้วก็มางานวันดับด้วย พร้อมกันนั้นอัตมาภาพก็มาคิดว่าวันก็มีอยู่หลายวันก่อนที่วันเกิดท่านก็มีหลายวันและหลังจากวันเกิดท่านก็มีอีกหลายร้อยหลายหมื่นและยล้านวันทำไมท่านจึงไปดับวันอื่นมีเหตุผลอะไรบ้างที่ท่านจะต้องมาดับในระหว่างที่เป็นวันทําบุญครบรอบซึ่งเป็นวันอาทิตย์เพราะว่าท่านเกิดวันอาทิตย์นั่นเอง ก็เป็นอันว่าท่านก็มรณะภาพไปโดยอาการอย่างนี้ตราสุญญาหมอและพยาบาลอาตมาภาพก็มานึกถึงว่าการบับแบบนี้ก็ดีอย่างหนึ่งถ้ามีหมอมีพยาบาลล้อมหน้าล้อมหลังเขาอาจจะช่วยลงปู่ทุกกรณีอาจจะไหนจะสายออกซิเจนสายอากาศสายดินใจอะไรเป็นไปหมดท่านก็คงลำบากในการที่จะลำบัก ความรู้ลำดับธรรมะที่ท่านเคยปฏิบัติมาก็ได้อันนี้คือความเป็นไปในชีวิตสุดท้ายของหลวงปู่ท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจาท่าพี่จะมาภาพมานี้อธิบายมานี้ก็เป็นการ อ, อาธิบายถึงความวาระสุดท้ายของหลวงปู่จัดใจความว่าบัดนี้หลวงปู่ท่านสิ้นแล้วก็เหลือแต่คุณธรรม ขอเจริญพรใหญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายให้สนใจข้อวัดปฏิบัติของหลวงปู่คุณธรรมของหลวงปู่และตั้งใจฟังข่าวว่าคุณธรรมของหลวงปู่มีข้าไหนชีวิตการงานของท่านเป็นมาอย่างไรตามความเป็นจริงแล้วก็เข้าใจตามความเป็นจริงอันนี้เป็นสิ่งที่ประสบ หลวงปู่ไม่แวะไม่เกี่ยวไม่คล้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสิ่งลึกลับที่เป็นสิ่งธรรมญาติโยมสงสยัยอันนั้นเป็นเรื่องของบุคคลอื่นหรือสานุรสิทธิ์ซึ่งอาจจะเห็นสิ่งแปลกแปรเปลี่ยนแปลงหรือแปลกประหลาดอัจฉริยในชีวิตหลวงปู่เอามาพูดก็ได้แต่หลวงปู่เองแล้วจะไม่เอ่ยวายจาใด ที่ทําให้สานุสิทธ์เข้าใจหรือทําให้สานุสิทธ์ชงวนสมเทไรเลยมีแต่คุณธรรมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นให้นําคุณธรรมของท่านไปประพฤติธปฏิบัติท่านพูดเย่อที่สุดถ้าใครมาถามรธรรมปฏิบัติท่านก็บอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกลงปู่มีข้อปฏิบัติอะไรไง่ายๆท่านก็พูดว่าอย่าส่งจิตออกนอกแล้วก็ท่านเตือนคนทั่วไปว่าคนเราทุกวันนั้น ที่เป็นทุกข์ไม่มีทุกข์เพราะอะไรหรอกมักจะทุกข์เพราะความคิดนโยมจะไหมที่เราทุกข์ที่เราเป็นทุกข์ทุกวันนี้ทุกข์เพราะความคิดเพราะร่างกายของญาติโยมนั้นมีทรัพย์สมบัติมีที่อยู่อาศัยมีอาหารการกินสมบูรณ์แล้วไม่มีโรคไม่มีภัยก็หมดทุกข์ทางกายแต่ทางใจนั้นไม่แน่เลย เพราะสิ่งที่ก่อ ค, ความทุกข์ของท่านคือความคิดคิดอดีตคิดอนาคตคิดในปัจจุบันคิดนิตกรรมว น, นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควบคุมความทุกข์นั้นคือควบคุมความคิดของท่านอย่าให้เกิดทุกข์เป็นการปฏิบัติตามคุณฑธรรมของหลวงปู่อย่างสมบูรณ์นานมาแล้วอาตมาภาอเพื่ออธิบายธรรมะและประวัติของท่านจะยืดยาวในวันนี้รั้นต้องขอผายยอดโยมผู้เหน็ดเหนื่อยมา ตาบางท่านก็่วงนอนแต่ไม่เป็นไรก็ อ, อยู่ในความสงบขอความสุขและขอสันติความสงบจงมีแด่ท่านทั้งหลายและขอแสดงความยินดีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญกุศลและได้มาทอดเท่าป่านาสมณ์อวตารภารามนิยียาพระบรมสมบูรณ์แล้วก็จะตุกกระจายของท่าทุกบาททุกตานั้นอยู่ในวัดในเวลาร่วมงาน ศพ ข, ของลุงปูสิ่งที่ลงปูที่เราจะต้องทำบูชาคุณของลุงปูในโอกาสต่อไปก็คือว่าจัดงานศพ ข, ของท่านเสร็จแล้วก็ปฏิสันขอนุโบโสดและสร้างถิทิภัณฑ์ซึ่งกำลังก่อสร้างอยางนี้จวนู่เสร็จแล้วเช่นเดียวกันหวังว่าท่านทั้งหลายคงมโมทน า, าและมีความสุขดสมบูรณ์โดยั่วนากรนาตมาภาพในนามพระนรสง ขออ่านคุณรรบรารมีอะไรคือประพุธะทธรรมประสงค์และคุณงามความดีบุญบารมีของลุงปู่ที่ท่านสังสมอรมมาลนี้และบุญคุณงามความดีที่ท่านได้มาบูชาบุคคลที่ควรบูชาโดยลำดับลำดับนี้จงรวมกันเป็นกำลังพลวะปัจจัยคุ้มครองปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้ประสบความสุขความเจริญในหน้าที่การงานประสงค์สิ่งใดก็ให้เสเร็จ ด, ดังความมุ่งมากปรารถนา โดยทั่วทันทุกท่านทุกคนเชิญแต่ผมจะนำเอาข้อธรรมคำสอนของลุง ป, ปู่ดุลฮัตสุโลคือท่านเจ้าคุณพระราชวาวุริการอมาเสอนอต่อท่านจากนั้นสือหลวง ป, ปู่ฝากไว้ รวบรวมบันทึกไว้โดยพระครูนันทปัญญาพรลุรงปู่ฝากไว้ได้บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของพระราชวุฒิอาจารย์ลุงปู่ดุลอัตุโลวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยพระครูนันทปัญญาพรครับ ครับซึ่งพระครูนนทปัญญาพรท่านเขียนไว้อย่างนี้หลายท่านได้เรียกร้องถามหาถึงพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ใครอยากแก้ได้ฟังได้อ่านอาตมาพาพขอสรภาพตามความเป็นจริงว่าธรรมเทศนาหรือโอวาทของหลวงปู่นั้น เป็นสิ่งที่หาได้ยากอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากท่านไม่เคยเทศเป็นการกันหรือแสดงเป็นเรื่องราวย า, ยาวๆเพียงแต่เมื่อสอนภาวนาหรือกล่าวตักเตือนลูกศิษย์หรือตอบคำถามตลอดถึงสมทนากับพระเถระอื่นๆลุงปู่ก็จะกล่าวอย่างสั้นๆด้วยความระมัดระวัง ยกข้อธรรมะมากล่าวอย่างย่อๆเท่านั้นเองนอกจากนี้ท่านไม่เคยแสดงในพิธีการงานใดๆเลยเพื่อเป็นการสนองความต้องการแก่ท่านที่สนใจในคติธรรมคำสอนของหลวงปู่อาตมาภาพจึงพยายามรวบรวมธรรมะสั้นๆทั้งที่เป็นสัจธรรมล้วนหรือเป็นคำสอนคำเตือน และธรรมะที่ท่านกล่าวตอบคำถามของผู้ถามตลอดถึงพระพุทธพจน์บางตอนจากพระตรายปิดกที่หลวงปู่ชอบยกขึ้นมาปรารพบให้ฟังเสมอเสมอเพราะได้อยู่กับหลวงปู่มาเป็นเวลายาวนานตลอดอายุขายของท่านจากที่เคยได้บันทึกไว้บ้างหรือจำไว้บ้างหรือเล่าถึงเหตุการณ์สถสานที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าใจได้ง่ายหรือชวนอ่านได้บ้างรวมไว้ในหนังสือเล่ม น, นี้เป็นครั้งแรกสิ่งที่น่าสังเกตและน่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งคือลุงปูง่มีประกติเป็นผู้ไม่พูดหรือพูดน้อยที่สุดแต่มีปฏิภาณไวริษเร็วฉับไวมากและไม่มีผิดพลาด พูดสั้นย่อแต่อมความหมายไว้อย่างสมบูรณ์คำพูดของท่านแต่ละประโยคก็มีความหมายและเนื้อหาจบลงโดยสิ่งเชิงเหมือนหนึ่งสะกดจิตผู้ฟังหรือผู้ถามให้ฉุกคิดอยู่เป็นเวลานานแล้วก็ต้องใช้ความปริตรองด้วยปัญญาอย่างลึกซึ้งอันหนึ่ง ท่านผู้อ่านอาจจะสงสัยว่าข้อธรรมะของหลุงปู่เร่นนี้เห็นมีทั้งธรรมะแบบธรรมดาก็มีแบบชวนขบขันก็มี แ, แบบสัจธรรมล้วนก็มีทำไมจึงไม่เรียลรำบับให้ผู้อ่านได้อ่านจากง่าย